ผู้ยิงเป็นมารดามหาบุรุษเป็นพระพุทธก็เป็นได้ไม่น้อยนาเป็นผู้นำยุคสมัยในโลกาเป็นภรรยาสุดแสนดีสามีรัก เป็นผู้อวดองค์อรชรชวนชะมัยเป็นสหายแห่งชีวิตสิทธิศักดิ์เป็นแม่ทัพนำไทยให้คึกคักเป็นเสาหลักการเมืองเรื่องริธีเป็นคนเรือนลินธรรมชี้นำลูก เป็นผู้ปลูกขานิยมสมศักดิ์ศรีเป็นผู้กล้าที่จะกล่าวเข้าต่อตีเป็นผู้มีศักยภาพควรปราบดานี่แหละคือผู้หญิงที่จริงแท้โลกควรแก่เกณฑ์กฎลดโมหะ เคารพยญิงอย่างที่เป็นเช่นสัจจาเพราะหญิงคือมารดาของแผ่นดิน